วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้าเมษายนพุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาความรู้ความฉลาด ให้มีเพิ่มมากขึ้นในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจธรรมที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คือเรื่องสมาธิสมาธินี้แปลว่าความตั้งมั่นอยู่ในความสงบของใจคือความนิ่งเฉยของใจ ความนิ่งเฉยของใจนี้มีอยู่สามลักษณะด้วยกันคือสมาธิสามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิคือตั้งนิ่งอยู่ในความสงบได้ชั่วขณะหนึ่งชั่วชั่วเดียวเดียวชั่วแบบงูแบลบนิ้นหรือแบบฟ้าแลบจิตรวมลงสู่ความสงบได้ขณะหนึ่ง แล้วก็ถอนออกมาชนิดที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นความสงบตั้งมั่นแบบยาวจิตนิ่งสงบเป็นเวลายาวนานเรียกว่าอัปปนาสมาธิและสมาธิชนิดที่สเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิชนิดนี้จิตสงบลงแล้วเกิดอภินยา เกิดความสามารถพิเศษเกิดตาทิ่ผหูทิพย์ขึ้นมาสามารถท่องเที่ยวอยู่ในโลกทิพย์ได้ได้พบปะฝังกายทิพย์เห็นกายทิพย์เห็นสิ่งต่างๆที่มีในโลกทิพย์เช่นโรกเช่นสวรรค์ทะลึกชาติได้แล้วก็สามารถอ่านลาจาจิตอ่านความคิดของผู้อื่นได้ นี่คือสมาธิสามชนิดด้วยกันที่มีสอนอยู่ในพุทธศาสนาสมาธิที่เป็นคุณประโยชน์ต่อจิตใจเป็นฐานของปัญญาที่จะนำไปสู่การดับความทุกข์ต่างๆก็คืออัปปนาสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบสัต์แต่ว่ารู้ มีอุเบกขาเป็นอารมณ์ก็คือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงสมาธิแบบนี้จะเป็นพลังของจิตที่จะเอาไปใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิพจารณาให้เห็นโทษของ ความโลภความโกรธความหลงเมื่อเห็นโทษแล้วก็จะได้ระงับหยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยการใช้สมาธิกำลังของสมาธิถ้าจิตไม่มีสมาธิเวลาพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความโลภความอยากต่างๆแต่จะไม่มีความสามารถที่จะละหรือหยุดความโลภความอยากได้ ถ้าใจไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาสมาธิที่จะได้ก่อนทำหลับผู้ปฏิบัติครั้งแรกก็จะเป็นคานิกะสมาธิคือจิตสงบลงด้วยชั่วขณะหนึ่งชั่ววูบหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาเหตุที่อยู่ได้เพียงเดียวเดียวก็เพราะว่า กำลังของสติยังมีไม่มากพอมีมากพอที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้เพียงเดียวเดียวแล้วก็ถอนออกมาสมาธิแบบนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่จะทำให้ผู้ที่ได้ปฏิบัติเกิดความยินดีเกิดความมีพลังใจ ที่อยากจะปฏิบัติอยากจะทำสมาธิให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถึงแม้ว่าจะสงบเพียงชั่วขณะเดียวชั่วเดียวเดียวชั่วงูแลบนิ้นชั่วฟ้าแลบนี้ความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นเป็นความสุขที่ไม่เหมือนครับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยางที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่า สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตติสันติปรังสุขขังถ้าผู้ใดสามารถเข้าสมาธิได้แม้เพียงชั่วขณะเดียวก็าตามจะทำให้เกิดมีความยินดีมีฉันทะวิริยะขึ้นมามีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติอยากจะนั่งสมาธิให้มากขึ้นให้จิตได้สงบได้มากขึ้นได้นานขึ้น พอได้อนิกะสมาธิแล้วก็จะสวดความขยันหมั่นเพียรที่จะให้เวลากับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นกับการเจริญสติที่เป็นเหตุที่จะนำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้หาเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นลดเวลาการหาเงินหาทองหาความสุขทางโลกให้น้อยลง เพราะเห็นแล้วว่าความสุขทางโลกนี้สู้ความสุขทางธรรมไม่ได้ก็จะลดการหาเงินหาทองหาความสุขทางโลกเพื่อเอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตสงบมากยิ่งขึ้นไปตามลําดับอเมื่อได้มีการปฏิบัติมากขึ้นเจริญสติมากขึ้น ต่อไปเวลาจิตสงบก็จะสงบได้นานขึ้นได้นานขึ้นเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิส่วนสมาธิชนิดที่สามที่ได้อุปจารสมาธินี้เวลาจิตสงบแล้วไม่อยู่เฉยเฉยไม่อยู่ในอุเบกขากลับไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์เช่นเป็นเห็นกายทิพย์ไปติดต่อกับกายทิพย์ได้ หรือละเลิกชาติของตนได้หรือสามารถอ่านความราจิตความรู้สึกความคิดต่างๆของบุคคลอื่นได้ความรู้ประเภทนี้ถึงแม้จะเป็นความรู้ที่มหัศจรรย์ที่แปลกแต่ไม่มีประโยชน์ต่อการที่จะเอาไปใช้ในการจเจริญปัญญาเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจเพราะสมาธิชนิดนี้ ไม่มีอุเบกขาจิตไม่นิ่งวงไม่วางเฉยจิตยังมีราภชังกลัวหลงอยู่ในขณะที่อยู่ในสมาธิแบบนี้ mm hmm. ก็ถ้าไม่ถ้าไม่ระวงังก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปได้กิเลสก็จะเอาสมาธิชนิดนี้มาใช้ในการหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางโลกได้เช่นพวกเป็นพวกที่เป็นหมอดูทั้งหลายพวกที่มีตาทิพย์หูทิพย์ตรงนี้เขาก็จะเอาความรู้ความสามารถแบบนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาหาเงินหาทองอเขาจะไม่สามารถที่จะมีความสามารถที่จะไปพิจารณาทางปัญญาได้ ไม่มีเวลาที่จะไปเจริญทางปัญญาขั้วมัวแต่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องตาทิพยหูทิพย์เรื่องรวดเลือดชาติได้เหล่านี้ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาเพื่อพิจารณาให้เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความโลภความอยากต่างๆและการจะละความโลภความอยากดับความทุกข์ได้ จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิที่นิ่งเฉยบ่อยวางวางเฉยการหยุดความโลภความอยากก็คือการอยู่ก็คือการอยู่เฉยเฉยนั่นเองพออยู่เฉยเฉยความโลภความอยากก็ไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อความโลภความอยากไม่สามารถทำอะไรได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความโลภ ความอยากก็จะหายไปนี่คือการใช้ปัญญาในการดับความทุกข์ใจต้องมีสมาธิเป็นเครื่องมือเป็นสมาธิก็คืออัปปนาสมาธิถ้าจิตเนิ่งสงบได้ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งมีกำลังในการที่จะหยุดความโลภความอยากได้มากขึ้นเมื่อมีกำลังที่จะหยุดความโลภความอยากได้มากขึ้น ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะลดน้อยถอยลงไปมากขึ้นไปตามลาดับจนสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้จำเป็นจะต้องมีอัปปนาสมาธิเป็นเครื่องมือหยังที่พระเจ้าทรงสอนว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิที่ทถูกต้อง ก็คืออัปปนาสมาธินี่เองคานิกะสมาธินี้ยังมีกําลังน้อยเป็นเหมือนเด็กอัปปนาสมาธินี่เป็นเหมือนผู้ใหญ่มีกําลังมากกว่า <c oughs> ตอนต้นเวลาปฏิบัติใหม่ๆก็จะได้สมาธิแบบเด็กก่อนได้คานิกะสมาธิจิตสงบได้ชั่วขณะเดียวแล้วก็ถอนออกมาแต่ถ้ารู้ว่า สมาธิแบบนี้ยังมีกำลังไม่พอในการกำจัดความทุกข์ต่างๆก็จะฝึกสมาธิเพิ่มขึ้นจะนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นวิธีที่จะทำให้จิตมีสมาธิให้จิตสงบได้ง่ายขึ้นมากขึ้นก็คือการจเจริญสติก่อนที่จะมานั่งสมาธินี่เองสตินี้เป็นเหตุสมาธินี้เป็นผล จะทำให้ผลเกิดขึ้นต้องมาทำที่เหตุถ้าเหตุมากผลก็จะได้มากเหตุน้อยผลก็ได้น้อยถ้ามีสติน้อยสมาธิก็จะเข้าได้ยากเข้าได้เข้าได้น้อยถ้ามีสติมากก็จะเข้าได้ง่ายแล้วเข้าได้นานอยู่ได้นานดังนั้นนากปฏิบัติผู้ที่ปรารถนาความสงบ อยากให้จิตเข้าสู่สมาธิได้นานๆจึ ง, งจาเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติตลอดเวลาในในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับให้มีสติอยู่ตลอดเวลาการเจริญสติก็คือให้การระลึกรู้ถึงกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่นบริกรรมพุทธโธนี่ก็เป็นกรรมาฐานอย่างหนึ่งให้ระลึกอยู่กับพุทธโธพุทธโธเพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้การที่จะทำํำจะสติดได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างสม่ําเสมอยําเป็นต้องไม่มีงานการอย่าง อ, อื่นทําอจึงเป็น หน้าที่ของผู้ที่ไปบวชกันเสียส่วนใหญ่ถ้าเป็นคาลาว่าผู้คองเรือนี้จะไม่สามารถที่จะเจริญสติในระหว่างวันได้เพราะว่าจะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการทามาหากินหาเงินหาทองทาธุรกิจทาอะไรต่างๆต้องใช้ความคิดตลอดเวลาจึงเวลามานั่งสมาธิจึงไม่สามารถนั่งแล้ว ทำให้จิตสงบได้เลยนั่งแล้วก็ต้องมาคอยต่อสู้กับความคิดพยายามใช้กรรมฐานก็อยู่ได้เพียงเชื่อแป๊บเดียวอยู่กับพุทโธพุทโธได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องนั้นเผลอไปคิดเรื่องนี้แล้วการปฏิบัติสมาธิจึงไม่ค่อยได้ผลกันจึงอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้มีการคิดว่าสมาธิไม่มีความจาเป็น ให้ใช้ปัญญาเลยก็ได้ให้ใช้ปัญญาพิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาตายรักก็สามารถที่จะดับความทุกข์ได้แต่การใช้ความคิดพิจารณานี้จะไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความโลภหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้เลยการที่จะหยุดครั้ง โลภความอยากได้ใจต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่คิดปรุงแต่งการใช้ความคิดน่าจะเป็นความคิดทางปัญญาก็ตามก็จะไม่สามารถทําให้ใจอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆได้เมื่อใจไม่นิ่งไม่เฉยก็หยุดความโลภความอยากต่างๆไม่ได้เมื่อหยุดความโลภความอยากต่างๆไม่ได้ความทุกข์ที่มีในใจก็ก็ไม่ดับไป ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะดับไปได้ก็ต้องระ ง, งับเหตุที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาเหตุที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาก็คือความโลภความอยากต่างๆนั่นเองอันนี้คือเรื่องของสมาธิที่เป็นธรรมที่สำคัญที่จาเป็นต่อการกำจัดความทุกข์ถึงแม้ว่าสมาธิเองนี้จะไม่สามารถกาจัดความทุกข์ ได้อย่างถาวรผู้ที่จะสามารถช่วยกําจัดความทุกข์ให้หมดไปและได้อย่างถาวรก็คือปัญญาแต่เบื้องต้นก็ต้องมีสมาธิที่จะหยุดความทุกข์ไว้ชั่วคราวก่อนสมาธินี้เวลาจิตนิ่งสงบความโลภความอยากก็ไม่ทํางานทํางานไม่ได้เมื่อทํางานไม่ได้ความทุกข์ได้เกิดจากความโลภความอยาก ก็จะไม่เกิดขึ้นชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธินี้ใจจะไม่มีความทุกข์เลยใจจะมีแต่ความสุขแต่ใจไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเมื่อช้าก็เร็วก็ต้องถอนออกจากสมาธิมาเวลาถอนออกจากสมาธิมาก็จะเริ่มมีการคิดปรุงแต่งมีการเคลื่อนไหวต่างๆของใจคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้หรือไปสัมผัสรับรู้กับ รูปเสียง ก, กิน่นรสต่างๆสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้เกิดมีความอยากขึ้นมาเช่นตอนนี้เราสัมผัสกับเรื่องราคาแพงของน้ำมั น, นตอนนี้เราก็คิดแต่เรื่องราคาน้ำมันกันทุกคนคิดถึงราคาแพงแล้วก็ทำให้ใจไม่สบายว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าน้ำมันกันเพราะความอยากอยากให้ราคาน้า ม, มันมันถูกเพื่อที่เราจะได้ ไม่ต้องใช้เงินมากในการที่จะซื้อน้ำมันมาใช้กันพอมีน้ำมันมีราคาแพงเราก็จะรู้ว่าเราจะไม่สามารถซื้อน้ำมันมาใช้ได้มากเมื่อเราไม่สามารถใช้ได้มากเราก็จะไม่สามารถทำอะไรตามความอยากของเราได้มากขึ้นใจของเราก็เลยทุกข์กันแต่ถ้าเราสามารถที่จะอยู่ความคิดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราก็จะไม่ทุกกับเรื่องราคาทําผันแทงเพราะเวลาใจเราสงบไม่ได้คิดเรื่องอะไรนี้ใจเรามีความสุขไม่เดือดร้อนกับการขาดแคลนหรือไม่ขาดแคลนของปัจจัยสี่หรือของสิ่งต่างๆเพราะใจนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นร่างกายใจนี้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้ต้องพึ่งปัจจัยสี่ ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคไว้คอยดูแลแต่ใจนี้ไม่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายจึงไม่จําเป็นจะต้องมีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเหมือนกับร่างกายใจนี้มีความสุขได้เพียงแต่ทําให้ใจนิ่งให้สงบเท่านั้นเองพอใจนิ่งใจสงบแล้วใจก็จะมีแต่ความสุข มีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอร่างกายจะขาดแคลนอะไรร่างกายจะเป็นอะไรใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะในที่สุดธรรมชาติของร่างกายก็จะนำร่างกายไปสู่ความแก่นำไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยนำไปสู่ความตายในที่สุดแต่จใจที่มีความสงบใจที่มีสมาธินี่จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน เวลามีความทุกข์ก็สามารถเข้าไปในสมาธิได้แต่สมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ให้หายไปหมดได้เพียงแต่หยุดความทุกข์ไว้ชั่วคราวในขณะที่ใจสงบความโลภความอยากที่เป็นต้นเหตุของการสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมา <c oughs> ก็จะหยุดทางานชั่วคราวพอความโลภความอยากหยุดทำงานชั่วคราว ความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอถอนออกมาจากสมาธิพอเริ่มมารับรู้เรื่องราวต่างๆของร่างกายเรื่องราวของปัจจัยสี่เรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆความทุกข์ใจก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจ ที่ปรากฏขึ้นมาเวลาที่ออกจากสมาธิมานี้ไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาคอยกําจัดความโลภความอยากต่างๆเวลาเกิดความโลภความอยากก็สอนสอนใจว่าความโลภความอยากเป็นเหตุที่ทําให้ใจไม่สบายทําให้ใจทุกข์และสิ่งที่ใจโลภอยากได้มาก็ไม่สามารถที่จะมาทํากําจัดความทุกข์ของใจได้ าความทุกข์ของใจไม่ได้เกิดจากการขาดสิ่งนั้นขาดสินี้<ม>ขาดน้ํามันหรือขาดสิ่งจําเป็นต่างๆ<ม>เพราะว่านี่เป็นความความจาเป็นของร่างกาย<ม>ถ้าร่างกายมีสิ่งจําเป็นร่างกายก็อยู่เป็นปกติสุขได้ถ้ามีปัจจัยสี่พอเพียงมีอาหารมีเครื่องนู่หม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค ร่างกายก็อยู่เป็นปกติสุดได้แต่ถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะต้องเกิดอาการพิกลพิการขึ้นมา mm hmm. เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายไป mm hmm. แต่ความเป็นจริงของร่างกายถึงแม้จะจะมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ตลอดเวลาก็ตาม ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ยังต้องปรากฏขึ้นอยู่เหมือนเดิมเพราะนี่คือเป็นธรรมชาติของร่างกายของคนทุกคนที่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นขอทานนอนข้างถนนหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นพระราชาเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกพัมนตรีมหาเศรษฐีก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกัน ดังนั้นการมีปัจจัยสีมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่เจ็บตายของร่างกายได้นะความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สามารถใช้เงินทองมาลังกับมันได้สิ่งที่จะมาลังับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บได้ก็คือปัญญาปัญญาก็จะพิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ของใจ เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเองแต่ปัญญาก็เห็นความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและการที่จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ต้องมีปัญญาหยุดความอยากให้ได้ และการจะหยุดความอยากให้ได้ก็ต้องมีสมาธิมีอัปปนาสมาธิถ้าจิตไม่มีอัปปนาสมาธิมาก่อนจิตจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความโลภความอยากได้หลังจากที่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความโลภความอยากต่างๆไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ปวดความตายของร่างกาย แา่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอรู้ด้วยปัญญาถ้ามีถ้ามีสมาธิถ้าเข้าอปนาสมาธิได้ก็สามารถหยุดความโลภความอยากได้ก็รหยุดความโลภความอยากก็ไม่โลภไม่อยากอยู่เฉยๆไปก็คือไม่อยากให้ไม่แก่ไม่อยากให้ไม่เจ็บไม่อยากให้ไม่ตายมันจะแก่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไป รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปมันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปแต่ใจจะไม่ทุกข์กับมันนี่คือประโยชน์ของการมีอัปปนาสมาธิถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิอย่างญาตโยมที่ได้ศึกษาธรรมเกี่ยวกับเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมรรแล้วรู้แล้วว่าความทุกข์ใจเกิดจากความโลภความอยากต่างๆ แต่ก็ยังอดที่จะหยุดความโลภความอยากไม่ได้ยังอดที่อยากจะโลภยังอยากได้อยู่ยังอยากให้นั่งกายไม่แก่ยังอยากให้นั่งกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ังอยากให้นั่งกายไม่ตายอยู่พอเกิดความอยากเหล่า น, นี้ขึ้นมาก็จะทำให้มีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเมื่อเมื่อรู้ว่าต่อไปนั่งกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าได้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงอัอปปนาสมาธิได้ ทำใจให้นิ่งให้เฉยให้สงบให้ปล่อยวางได้นานๆพ อ, อจากสมาธิมานี้ก็เวลาพิจารณาความตายความเจ็บความแกน่นี้ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่มีความโลภไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองเพราะรู้ว่าอยากไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริง ความจริงของร่างกายไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะความอยากของเราความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไม่ได้ไปทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตามความอยากแต่อย่างไรร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายตามความจริงของเขานี้ เ, นเวลาใช้ปัญญาแล้วถ้าใจยังทุกข์อยู่แสดงว่าใจยังไม่มีสมาธิพอที่จะหยุดความอยากต่างๆแต่เวลาถ้าเราพิจารณาความจริง ของร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วใจเรารู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเรามีกําลังหยุดความโลภความอยากได้แต่ถ้าถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าเป็นจริงอย่างที่คิดหรือไม่ก็อาจจะต้องไปพิสูจน์เช่นไปอยู่ตามที่น่ากลัวต่างๆสถานที่น่ากลัวสถานที่ที่อาจจะมีทําให้เกิดความเป็นความตายขึ้นมาได้ เราไปดูซิว่าไปอยู่ในที่เหล่านั้นแล้วใจยังมีความกลัวยังมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าถ้ายังมีความกลัวมีความทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังยังปล่อยไม่ได้ยังระงับความอยากอยากไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่น่ากลัวที่มีภัยรอบด้านแล้วใจรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอันนี้ก็แสดงว่าใจสามารถหยุดความโลกหยุดความอยากไม่ ไม่เจ็บไม่ตายได้อนนี้คือเรื่องของปัญญาถ้าปัญญาที่เราเรียนรู้ได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมก็ดีการจากการอ่านหนังสือต่างๆก็ดีเป็นปัญญาที่ยังไม่มีกับถ้ายังไม่มีสมาธิถ้าผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้เจริญปัญญายังไม่ได้มีสมาธิไม่เข้าถึงอปนาสมาธิจะไม่สามารถที่จะ หยุดความทุกข์ที่เกิดจากความความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าไปฝึกสมาธิจนทำใจให้นิ่งให้สงบได้นานๆเป็นอัปนปปานสมาธิได้นานๆแล้วเวลาเจอกับความแก่เจอความเจ็บเจอความตายใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจจะปล่อยวางได้ใจใจจะอยู่เฉยๆได้ ก็คือไม่ให้เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่เกิดขึ้นในใจใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือความสำคัญของสมาธิที่ผู้ปฏิบัติทําไม่สามารถมองข้างไปได้บางคนคิดว่าสมัยนี้ไม่จำเป็นจะน่งนั่งสมาธิใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียวก็ทาให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ก็ถามตัวเองดูว่าเราหยุดพ้นจากความทุกข์ได้หรื อ, อยังถ้าเราไม่ใช้สมาธิถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราปล่อยวางร่างกายได้ไหมปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายโดยที่ใจเราไม่ทุกข์ไม่วิตกไม่กังวลกับร่างกายได้หรือไม่ถ้าเรายังวิตกยังกังวลอยู่ก็แสดงว่าปัญญาที่เรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ ยังไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้เพราะว่ายังไม่สามารถไปละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เนื่องเพราะว่าไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากผู้ที่จะให้ผู้ที่จะให้กาลังกับใจเพื่อหยุดความอยากก็คือสมาธินี่อัปนาสมาธิถ้ามีอัปนาสมาธิแล้วเราเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็จะยอมรับได้จะไม่รู้สึกทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะจะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาในใจ น, นี่ก็คือสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คืออัปปนาสมาธิแต่เบื้องต้นเวลาปฏิบัติใหม่ๆเวลาได้สมาธิใหม่ๆครั้ ง, รงแรกๆจะเป็นอะิกะสมาธิก่อนจะสงบชั่วเดียวๆแล้วก็ถอนออกมา แต่ต่อไปเมื่อฝึกไปเรื่อยๆมีสติเพิ่มมากขึ้นสมาธิก็จะอยู่ได้นายขึ้นสนเาลาสมาธิส่วนสมาธิที่ไปมีมีความรู้ความสามารถพิเศษมีตาทิ่ยผู้ที่มีการสามารถร ะ, ะลึกชาติได้นี่เป็นสมาธิที่ไม่มีคุณประโยชน์แต่อย่างใดในการเจริญปัญญาเพื่อดับความทุกข์ใจยังควรระมัดระวังอย่าไปเสียเวลากับสมาธิแบบนี้ พ่าจะติดสมาธิแบบนี้แล้วจะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปในการเจริญมากผลนี้ผ่านได้นั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของสมาธิที่ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถเข้าถึงได้คืออคาณิกาสมาธิอัปปนาสมาธิส่วนอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิพิเศษ ที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้บางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงถ้าเข้าไม่ถึงได้ก็ถือว่าโชคดีไปถ้าเข้าถึงก็ต้องระมัดระวังอย่าไปหลงติดกับสมาธิแบบนี้เพราะจะทำให้การปฏิบัติทำไม่ก้าวหน้าจะติดอยู่กับการเล่นเล่นเล่นความรู้ความสามารถพิเศษนี้ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ในการดับความทุกข์ไม่สามารถพาจิตให้บรรลุถึงมรรคผลผได้จึงต้องคอยระมัดระวัง ถ้ามีสมาธิแบบนี้ก็อย่าไปเล่นกับมันพยายามดึงกลับมาให้อยู่ในอัปปนาสมาธิแล้วออกจากสมาธิก็ไปเจริญปัญญาพิจารณาตายรักษณเพื่อระงับความอยากต่างๆเมื่อจิตเห็นว่าเป็นตายรักแล้วก็จะระงับความอยากได้จะสั่งให้ให้สมาธิหยุดความอยากได้พอมีสมาธิก็หยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น ก็จะมาเรื่องทขั้นต่างๆตามลำดับ ต, ต่อไปนี่คือเรื่องราวของการนั่งสมาธิการเจริญสมาธิสมาธิที่มีสมแบบคือคาณิกาสมาธิอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิก็เป็นก็สมควรพอสมควรแก่เวลาก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้เพราะต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันทําใจให้นิ่งให้สงบ ให้เกิดให้เกิดคานิกะสมาธิหรือให้เกิดอัปปนาสมาธิขึ้นมาถ้าเกิดอุปจาระสมาธิก็อย่าไปตามอย่าไปตามรู้ให้ดึงใจให้กลับเข้ามาอยู่กับอัปปนาสมาธิให้อยู่นิ่งๆเฉยๆให้สักแต่วารู้อยู่กับอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงการที่จะทำให้ใจให้นิ่งให้สงบนั้นจาเป็นจะต้องมีสติคอยกากับใจ ให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบกรรมฐานก็มีหลายชนิดด้วยกันส่วนใหญ่ที่ทางสายปฏิบัติคล้ายกันก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นกรรมฐานอย่างหนึงน่งหรือการดูโลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานอย่างห น, นึ่งแต่ในนักสมาธิต้องมีกรรมฐานกำกับใจมีสติกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานให้สติแล้วเลือล้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียว อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรหรือถ้าไม่ใช้พุทธโธก็ใช้ลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับพุทอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดปรากฏขึ้นในขณะนั่งสมาธิถ้าไปสนใจก็จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้เพราะเรื่องราวต่างๆจะหลอกให้จิตต้องคิดต้องปรุงแต่งแล้วจะทำให้ไม่สามารถทำให้นิ่งให้สงบเข้าสมาธิได้ ถ้าอยากจะเข้าสมาธิอยากจะได้อัปปนาสมาธิหรือคันนิกะสมาธิจำเป็นจะต้องมีสติก่อยกํากับใจให้รู้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวอยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับลมไปถ้ายังคิดมากอย่างไม่สามารถอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมได้ก็ให้การใช้การสวดมนต์ช่วยระงับความคิดให้น้อยลงไปก่อนก็ได้สวดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วเมื่อสามารถกลับมาดูลมได้ก็ค่อยมาดูลมใหม่ หรือถ้าสามารถกํับมาบริกรรมพุทธโธได้ก็กลับมาพุทธโธใหม่แล้วก็ให้อยู่กับพุทธโธไปหรืออยู่กับลมไปจนกวใจจะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิต่อไปอ น, นี้คือวิธีนั่งสมาธิที่เราจะมานั่งทํากันประมาณ24 25 26นาทีด้วยกันวันนี้เราจะมานั่งสมาธิกัน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 แล้วใจก็จะสงบถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังไม่มากพอต้องขยันจเจริญสติก่อนที่จะมานั่งให้มากขึ้นเราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับใช้คาบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ใช้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก็ได้แล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นแล้วเวลาทาสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้น ถ้าต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยาถาวาเรวะหาปุราปะริปุเรนตีสากหลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปกักปะติอทิทิตังปะทิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจะตุสัพเพปุเรนตุสังคปา จันโทปนาราสุยาามนิโชติอัสุยาาสัพพิติโยวิวาจันโุสัรพโกวินาสตุมาเตภวตวันตารายสุขิทีขายุโกภวาอภิวาทานสิลิสานิจจัมุทตาปจายโน จตารโหทมวั a ทันติอายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะว่าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามต้องขออภัยด้วย วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทางง Facebook 253 YouTube พระอาจารย์สุชาติ308 y o u t u b ดยูทดรคลับา์สีวิทยุออนไลน์สหน้ากุฏิหนึ่งห้ารวมเจ4ด้อยเจ็ดสิบค่ะคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิค่ะโยมมีคำถามเรียนถามพระอาจารย์เช้าค่ะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ เราจะฆ่าผู้รู้ได้อย่างไรเจ้าคะขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยค่ะ อ, อ๋อแล้ไม่ทําลายผู้รู้หรอผู้รู้ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาผู้ที่เป็นปัญหาก็คือกิเลสถ้าเจอความโลภความโกรธค ว, กรความหลงนี่ต่างหากที่เราต้องฆ่ามันให้ได้ผู้รู้เขาไม่เป็นปัญหาหอะไรผู้รู้เขาเป็นผู้ที่ถูกทําลายด้วยกำนังของความโลภความโกรธ ค, ความหลงเห็นเราอย่าไปทําลายผู้รู้ทำลายผู้รู้ก็ทําลายไม่ได้อยู่ดี ผู้รู้เป็นเนสิ่งที่ไม่มีวันตายไม่ทำลายไม่ได้สิ่งเรื่องทำลายก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจคำถามจากทาง Facebook คุณน้อยค่ะการมีสมาธิในชีวิตประจำวันเช่นการทำอาหารการล้างจานการปลูกต้นไม้จัดแจกันเล่นโยคะหรือการแกะสลัก ถ้าจะฝึกจากกิจกรรมเหล่านี้พอจะเป็นพื้นฐานเพื่อฝึกตามลำดับขั้นตามที่ท่านพระอาจารย์เทศสอนได้ไหมคะได้แต่คาว่าสมาธินี้มันต้องเป็นสติแทนเราใช้ภาษาผิดกันสมาธินี้เป็นเวลาจิตสงบนิ่งแต่เวลาที่เราทำงานแล้วมีสมาธิกับงานนี้ความจริงหมายควาว่าเรามีสติกับงานที่เราทำให้เราเฝ้าจดจ่ออยู่กับอยู่กับงานที่เราทาเพียงอย่างเดียว ยอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงคนงคนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่ามีสติอยู่การทํางานแต่การทํางานก็ยังต้องใช้ความคิดอยู่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นสติที่สมบูรณ์สติที่สมบูรณ์ควรจะเป็นสติที่ไม่ต้องคิดเช่นเราเดินตรงกลมเนี่ยเดินไปเดินมาเราไม่ต้องคิดอะไรให้มีสติอยู่การเดินเรื่องการรับประทานอาหารก็ดีเราก็ไม่ต้องคิดให้ให้ให้รู้ว่าเรากำลังรับประทานอะไรก็พอ ถึงจะเรียกว่าเป็นสติที่จะมาใช้ในการเจริญสมาธิได้ถ้าเป็นสติที่ใช้ความคิดเช่นทำงานคิดเลขคิดบัญชีคิดวางแผนอะไรต่างๆถึงแม้จะมีสติอยู่ยา ง, งานแต่มั น, นมันไม่หยุดความคิดเนี่ยข้าหมายของเราเราต้องการให้หยุดความคิดเพราะจิตจะได้นิ่งสงบเป็นสมาธิได้คำถามจากทาง facebook คุณกันหาค่ะ ในขณะที่สวดมนต์จิตเกิดกุศลและอกุศลไม่ทราบว่าสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือเปล่าคะแล้วควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะมันไม่ได้เกิดทีเดียวพร้อมกันมันมเกิดก่อนหลังเกิดนี้ปั๊มแล้วเกิดอย่างนั้นต่อได้แต่ไม่ได้เกิดทีเดียวพร้อมกันแต่มันเร็วมากเลยก็ทําอาจจะให้เราเห็นว่ามันเกิดพร้อมกันขึ้นะแต่มันต้องมีก่อนมีหลัง มันสาแฟดข้อออกมาจากท้องแม่เนี่ยมันจะข้อออกมาทีเดียวสองคนท้องกันหรอต้องเลาะข้อออกมาทีละคนความคิดที่เป็นกุศลและอกุศลก็เหมือนกันมันก็คิดเป็นคิดเป็นเป็นแนวแถวมันเข้าแถวกันเข้ามาถ้าเป็นกุศลก็ปล่อยให้มันคิดไปถ้าเป็นอกุศลก็ต้องหยุดมันด้วยสติใช้พุทโธพุทโธหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าอกุศลแล้วมันจะนําไปสู่การกระทําที่เป็นบาปได้ต่อไป คำถามจากคุณภัชวันค์ค่ะโยมขอถามคำถามอีกอย่างหนึ่งคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกหมายความว่าอย่างไรคะหมายถึงให้จิตอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้พอคิดถึงคนนี้คนนี้ก็เหมือนกับส่งจิตออกไปหาเขาแล้วออกไปข้างนอกเราต้องการดึงจิตเข้าข้างในจิตจะเข้าข้างในได้ต้องมีพุโทโธคอย คอยกลับเรื่องมีลมหายใจคอยคำกลับถึงจะเข้าข้างในได้คําถามจากทาง youtube คุณการชลีกระผมอยากจะขอแนวทางการอุเบกขาระหว่างตนเองกับคนในครอบครัวอุเบกขาคือการวางเฉยอุเบกขาที่แท้จริงต้องเป็นอุเบกขาที่เกิดจากการเข้าสมาธิถ้าจิตสงบเป็นสมาธิจิตก็จะมีอุเบกขาวางเฉยได้ แต่ถ้าออกจากถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีอุเบกขาก็ต้องใช้สติคอยยับยัง้งเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ใช้ท่องบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเวลาเกิดก่อยความคิดไม่ดีหรือจะทําอะไรกับผู้อื่นที่ไม่ดีก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ไปต้องใช้สติไปก่อนจนกว่ารเราจะมีอุเบกขาโดยธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติแล้วเราจะวางเฉยได้ใครจะชมเราก็เฉยใครจะดา่าเราก็เฉยได้ เรายังไม่เฉยก็ต้องใช้สติช่วยให้มันเฉยไปก่อนบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปคำถามจากคุณการเวลาค่ะขอคําชี้แนะกับการต่อสู้กับเวทนาครับเราเวทนานี้เป็นสิ่งที่มันต้องเกิดร่างกายนี้มันต้องมีเจ็บบ้างมีสุขบ้างมีทุกบ้างสลับกันไปแต่ปัญหาของเราก็คือเราชอบแต่สุขเราไม่เราไม่ชอบทุก พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็เกิดการต่อต้านพอเกิดการต่อต้านก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะให้เกิดความทุกข์ใจก็หยุดการต่อต้านก็ใช้คาบริกีรำพุโทโธพุโทโธไปนี้ mm hmm. วเวลาเจอความเจ็บแล้วเราอยากจะทาําะทำลายมันให้มันหายแต่มันไม่ยอมหายเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธอยู่กับมันไปคำถามชะคุณทาดีถวายพ่อหลวง มีนิมิตเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้การภาวนาดีขึ้นมันไม่มันไม่เกี่ยวกันการมีนิมิตรู้เรื่องหน้านี้มันเป็นเรื่องของอภิน ญ, ญาก็ได้แต่มันไม่ทําให้การภาวนาเราเก้าวหน้าได้อย่างใดการจะภาวนาก้าหน้าต้องมีสติคอยระงับความคิดต่างๆคําถามจากคุณอิสระค่ะ ยมขอถามว่าเวลาถวายข้าวพระพุทธรูปตอนเพลและอุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวจะได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้เป็นการทาทานที่แท้จริงทาทานต้องใส่บาทหรือเลี้ยงอาหารให้คนชราก็ได้คือมีการบริจาคทรัพย์ของเราให้เปิดให้เกิดประโยชน์กับผู้อันอันนั้นจะไม่ได้เป็นการทำทานแล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาที่เราสามารถใช้อุทิศได้ แต่การเอาของไม่ตั้งไว้ต่อหน้าพระพุทธลูกนี่มันไม่มีไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นตั้งไว้สักพักเดี๋ยวก็เอากลับมากินเองมันก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรเพราะฉะนั้นการบูชาทางพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้ให้บูชาแบบนี้ไม่ให้บูชาด้วยเข้าปลาอาหารกับพระพุทธลูกแต่ให้บูชาด้วยการปฏิบัติธรรมคำถามหมดเจ้าค่ะ ที่กาอยากจะถามไหมเชิญจางเข้ามาเชิญเข้ามาได้ขออนุญาตขออนุญาตครับก็เกี่ยวกับการปฏิบัติครับเคําถามแรกครับบางวันมันเกิดจิตมันเหมือนต่อต้านพุโทโธครับของญาติยกตัวอย่างครับก็อย่างสองวันก่อนรู้สึกว่า ใช้พุโทโธอย่างเดียวเลยทั้งวันทั้งนั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ระหว่างวันครับรู้สึกทำได้ดีพอมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงเชา้าวันนี้ครับมันพุโทโธค่อนข้างจะยากครับ ตั้งแต่เช้าเนี่ยพุโทโธมันเพี้ยนจะเพี้ยนไปเรื่อยๆก็ตอนแรกก็พยายามฝืนต่อมาไม่ฝืนจะเพี้ยนไปคำไหนก็ไม่เป็นไรก็จะรู้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับการเหมือนที่เรามีการท่องคําคําำนี้ออกมาที่ผมให้สมมติว่าเป็นพุโทโธครับแล้วก็เหนื่อยทั้งวันแล้วก็นั่งสมาธิก็ไม่ดีเดินจงกรมก็ไม่ดีครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าทั้งวันครับก็ให้ดูร่างกายแทน ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังเดินก็ดูว่ากำลังเดินครับกำลังนั่งกำลังยืนก็รู้ว่ากำลังนั่งกำลังยืนกำลังทำอะไรก็อยู่กับร่างกายไปไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องพูดโทรครับต อ, ออตอนนั่งสมาธิก็คือดูลมไปเปลี่ยนเป็นดูล ม, ลมครับขอบคุณครับแล้วข อ, ขอคาถามที่สองครับ ช่วงที่นั่งสมาธิครับนั่งไปสักสักพักนึงจะเป็นเกือบทุกครั้งเวลานั่งนะครับก็คือจะเข้าอยู่สภาวะหนึ่งก็สภาวะนี้พเ อ, อเข้าไปแล้วผมก็จะตามทั้งเมื่อก่อนก็จะตามดูลมแล้วก็หรือว่าใช้พุโทโธอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะอยู่แต่พุโทโธอยู่แต่คําบริกรรมของเราไปพ อ, อ, อผ่านไปสักมันจะมีอาการนี้เข้ามาสักสามสี่ครั้งสามสี่ครั้งเนี่ยรู้สึกเลยว่าบางครั้งเหมือนเป็นหมอกเข้ามาทําให้ เหมือนสติเราจะดอบลงทันทีครับขออนุญาตยกตัวอย่างครับอย่างเช่นมีแสงวา บ, บเข้ามาหรือว่าเหมือนถูกดูดเข้าไปนิดนึงหรือบางครั้งเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่ในที่ว่างๆแล้วจะสัมผัสได้เฉพาะถ้าดูลมหายใจก็จะเราจะรู้สึกแต่ที่จมูกจะรู้สึกจะเป็นที่ว่างๆแล้วมีแสงสว่างอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่สู้มันไม่ไหวสักครั้งที่สี่ครั้งที่สมครั้งที่สี่เนี่ยเขาจะ สติจะหลุดตามความคิดปรุงแต่งที่เข้ามาครับแล้วก็ณตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องฝึกสติมากๆก็เลยลองมาปบพุโทโธรัวๆเพื่อดึงมันออกมาในทุกๆครั้งที่มันเข้าไปครับก็ เ, เหมือนอยู่ได้นานขึ้นสมควรไหมครับพระอาจารย์ก็ใช้ได้ใช้สติอย่าไปสนใจกับอารมณ์หรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในขณนะที่เรานั่งสมาธิให้มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไว้จะเป็นการดูลมก็ได้จะเป็นการบริกรรมพุทโธก็ได้ มันตอนนี้คือพยายามเร่งพุโทโธเพื่อดึงมันออกมาก่อนนะครับอ่าอย่าให้อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการที่เกิดขึ้นถ้าเราอยู่กับพุโทโธมันก็จะกลับเข้ามาขอบคุณครับแล้วก็การนั่งสมาธิครับเมื่อนั่งไปสักระยะหนึ่งครับที่สติ พอสติหมดกําลังแล้วสู้ความคิดปรุงแต่งไม่ไหวลงไปตามเพราเริ่มลงไปบ่อยๆละตรงนี้นะตรงนี้ครับทางที่ดีสําหรับการฝึกสติเพิ่มขึ้นคือฝืนนั่งต่อไปเจนกว่าเราจะทนไม่ไหวหรือว่าเราควรเอียรยาบทไปปฏิบัติ ด, ด้วยท่าอื่นถ้าอยากจะนั่งต่อไปก็ จ, จะต้องใช้การสวดมนต์แทนนะครับถ้าสวดมนตะ์แล้วมันจะเพลินไปกับการสวดมนต์ก็จะนั่งต่อได้ครับสวดบนไหนก็ได้ที่เราจําได้ครับ แต่สวดอาจจะต้องสวดหลายๆรอบหนึ่งไปจนรู้สึกว่าใจเบาสบายก็ อ, อาจจะเปลี่ยนมาดูลมต่อก็ได้ครับขอบคุณครัดแล้วก็ช่วงนี้ที่สติยังยังสติผมยังอ่อนอยู่นะครับก็คือถ้าปฏิบัติไปเนี่ยจนถึงช่วงช่วงมืดเป็นเริ่มเป็นมาหลายครั้งนะครับว่าจะเริ่มเดินจงกรมตอนช่วงช่วงหัวค่าเนี่ยจะเริ่มเดินเซ่ละเหมือนสติหมดกําลังครับแล้วก็จะเริ่มปวดหัวเวียนหัวอะไรเงี้ยครับ พักได้ทักได้ค้างนั่งเฉยๆนั่งสมาธิแทนก็ได้เหมือนพอนั่งสมาธิก็จะวูบแป๊บเดียวก็จะวูบเลยก็นอนเลยก็ได้ครับนอนทั้งก่อนก็ได้ครับันที่ร่างกายไม่ไหวก็อย่าไปฝืนมันอ๋อไม่ไม่ควรฝืนใช่ไหมครับถ้ามันพยายามแล้วมันมันมันไปไม่ได้ก็พักก่อนก็ได้ครับอืครับพยายพักนานเกินไปก็แล้วกัน ครับมมก็สามสิบเอ็มก็้องลูกก็มาสูมมาได้ครับมันก็สามยาวเลยึงสว่างเลยยังคัดยาครับคุณครับหมดแล้วครับโอเคเข้าใจแล้วเาครับครับผมโอเคไว้เชิครับ คำถามจากทาง Facebook คุณแมทค่ะผู้รู้คือจิตใช่ไหมครับถ้าภาวนาแล้วเห็นถึงภาวะที่สักแต่ว่ารู้นิ่งแล้วเราควรกำหนดรู้ที่จุดไหนครับไม่ต้องกำหนดรู้ถ้ามันรู้แล้วก็ถือว่ามันสงบมันนิ่งก็ให้อยู่กับความสงบกับความนิ่งไปอย่าให้อย่าให้ใจคิดก็แล้วกันพยายามเอาความคิดไว้คาถามจากคุณหญิงค่ะ ใส่บาทแล้วไม่ได้ใส่น้ําทําให้ตายแล้วจะไม่ได้กินน้ําจริงไหมไม่จริงหรอกบุญไปเหมือนแก้วสารพัดนึกเป็นเหมือนเงินเนี่ยที่เราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นซื้อของที่เราต้องการได้ทําบุญชนิดไหนเราก็ได้บุญใส่ข้าวก็ได้ใส่น้ําก็ได้ใส่กับข้าวก็ได้แล้วมันก็เป็นบุญขึ้นมาแล้วบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราไปใช้ในโลกทิพย์สามารถเราไปซื้อข้าวซื้อน้ําซื้ออะไรต่างๆได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะมีความทุกข์จากที่ทํางานที่มีความไม่ยุติธรรมและมีความลําเอียงในพวกพ้องของผู้บังคับบัญชาพยายามทําใจให้อุเบกขาเพราะเข้าใจว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้แต่จิตใจยังคงฟุ้งซ่านไม่สบายใจอยากได้คําแนะนําค่ะก็ต้องทําใจให้นิ่งใช้คําบริกีรมพุทโธพุทโธไปใจเรายังไม่อยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ แต่ใจเรายังอยากจะเปลี่ยนอยากจะให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นเราใจเราก็เลยทุกขึ้นมาแล้วเราต้องหยุดใจของเราด้วยการคำใช้คำอะไรรมพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ทักทักหนึ่งมันก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจได้ คำถามจากทาง Facebook คุณละนันทิถ้าเรารับรู้การกระทําของคนอื่นที่มากระทบกับตัวเราเราควรวางใจอย่างไงคะแล้วเราต้องยอมรับกับสิ่งที่คนอื่นกระทํากับเราตลอดไปหรือเปล่าคะถ้าเราไม่อยากจะมีเวรกับใครแล้วก็อยู่เฉยๆไปหลบได้ก็หลบหลีดได้ก็หลีถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปก็แล้วกันใช้กรรมไปแต่เราไม่ควรที่จะมีการตอบโต้กลับคืน เเป็นนกการราาารรรรรสส้้้งงวมมมใหม่ขึคำถามจากทาง youtube คุณพลอยค่ะลูกทําบุญเดือนชนเดือนถ้าตายไปจะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงไหมเจ้าคะสูงหรือต่ำนี้อยู่กับทรัพย์สินที่เราเบริจาคไป mm hmm. แล้ว แ, แต่ว่าร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสิบก็ได้ชั้นหนึ่งร้อยละยี่สิบก็จะได้ชั้นที่สองร้อยละสามสิบก็ได้ชั้นที่สามถ้าร้อยละร้อยก็ได้ชั้นสูงสุดเนึ่ย อยู่ที่ปริมาณของทรัพย์สินที่รเราบรยจากไปคำถามจากคุณทัวร์ค่ะถ้านั่งสมาธิแบบดูลมหายใจฝึกสติช่วงกลางวันดูลมจะคุมยากควรเปลี่ยนไปใช้พุโทโธดีไหมครับหรือแก้ไขยังไงดีครับใช้พุโทโธก็ได้หรือใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ทกเรียบทรงกยกทาอะไรต้องให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาแทนดูลม การจาดูลมนี้ต้องดูตอนที่นั่งเท่านั้นเองถึงจะดูได้ง่ายเพราะลมเป็นของละเอียดถ้าเวลาที่มีการเคลื่อนไหวมีการกระทาอะไรก็ดูการเคลื่อนไหวไปดูการกระทาไปแทนการดูลมไปก็ได้หรืจะใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ได้หนะมดนั่นะโอเคมีใครอยากจะถามไหมยังมีเลยเวลานิดหน่อย